นี่คือรายการธรรมะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมีข้าพเจ้าพระภัยบู์เป็นผู้ดําเนินรายการที่จะมาพบปะพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะมาทําหน้าที่ของสมณนะในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จําแจ้งซึ่งในประสูตรข้อมูลต่างๆนั้นก็นํามาจากในพระไตรปิฎกเป็นส่วนที่พระเจ้าตรัสข้อมูลเอาไว้ มีครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ก็ได้ขยายความเอาไวา้อธิบายเอาไวา้ให้มีความแจ่มแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือพระรุ่นก่อนๆขอนคาพระเจ้าเองก็ตามท่านเหล่านั้นท่านก็ทําหน้าที่ของท่านในในการที่นําพระสูตรพระวินัยต่างๆม า, าอาธิบายให้ฟังในคําอธิบายของท่านที่ได้อธิบายให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นก็มีบันทึกเอาไว้บ้างที่นที่นี้บ้าง แต่านพพเจ้าก็ไปศึกษาหาความรู้ในทั้งสองส่วนเพื่อที่จะนําความรู้นั้นมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังโดยในวันบริหัสจะให้ฟังประสูุ์เรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์แต่เป็นสิ่งที่พุชธเจ้าตราตาาัสเอไว้แน่นอนละ่ะการดําเนินเรื่องบางทีเขาก็เป็นการอธิบายบ้างเขาก็จะบอกว่าพระพุทาตรัไว้ตรงนี้ตรงนี้อีกคนนึงพูดไวอ้อย่างนี้แต่เป็นการคุยกันบ้างเป็นบทสนทนาบ้าง เป็นเรื่องราวอธิบายถึงภูมิประเทศถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่างๆบ้างว่าเป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้คือลักษณะของพระสูต์เป็นลักษณะของเรื่องราวที่เล่าบ้างแต่เป็นคำอุทานบ้างแต่เป็นข้อมูลต่างๆบ้างมีหลายอย่างนามาพูดคุยให้ฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เมื่อได้ฟังทำให้ได้ฟังแล้ ว, ลวก็นามาอธิบายให้แจ่มแจ้งถึงที่สุด ทำฟังบางท่านก็นิยมที่จะฟังพุทธพจน์บางท่านฟังแล้วต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้เราได้ให้ฟังเรื่องของสัจจะนิครนบุตรเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายแต่ก็เป็นพระสูตรเล็กแตสัจจะนิครนเนี่ยเรื่องของสัจจะนิครนบุตรเนี่ยมีอยู่สองพระสูตรนจริงๆแล้วชื่อนี้ก็ปรากฏอยู่ในหลายเรื่องหลายราว แต่ว่ามีสูตรเล็กกับสูตรใหญ่นั่นคือเรื่องอย่างสั้นกับเรื่องอย่างยาวแต่ที่ให้ท่านฟังได้มาฟังนั้นเป็นเรื่องอย่างเล็กอย่างสั้นก็พูดถึงปริภาชคกนคนหนึ่งที่ชื่อสัจกะน่นเป็นบุตรของนิครนเขาก็เลยเรียกว่าสัจกะนิครนบุตรแต่อย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบุตรของนางสารีเขาก็เลยเรียกว่าสารีบุตรเป็นตน้น เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองเวซาลีมีป่าที่ชื่อว่าป่าใหญ่ภาษาบาลีเขาเขาใช้ป่ามหาวันนั่นแหละป่ามหาวันนี่ก็จะปรากฏอยู่หลายที่เหมือนกันเอ้ยเมืองนั้นก็มีป่ามหาวันเอ้ยเมืองนี้ทำไมมีป่ามหาวันอีกนะนั่นก็คือเป็นป่าใหญ่นั่นแหละที่อยู่รอบๆบริเวณเมืองเวสาลีซึ่งในที่นั้นเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีสัจจการิกรลเขาก็เป็นนักโตวาทะ สัจการนิครนนี้เป็นมาอย่างไรแต่ก็เป็นลูกของนิครนนั่นแหะมีนิครนสองคนแตนะ่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเขาก็โต้วาทะกันแตนะ่ไม่มีใครชนะใครแต่ตนะ่างคนต่างมีความรู้พอเสมอการว่วาทะทั้ง500ร้อคำถามอะไรต่างต่าแต่แต่งกันไปตอบกันมาแต่งกันไปตอบกันมาแล้วนะก็ไม่มีใครชนะใครได้ก็เลยอยู่กินกันแตนะ่เป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน5คนแต่สนะคนแรกเป็น ผู้หญิงแล้วก็คนสุดท้ายก็คือสัจกะนิคนบุตรนั่นเองสี่คนแรกนี้ก็เป็นปริภาชกเป็นปริภาชิกา4คนก็ได้ไปเคยเที่ยวโตวาทากับคนนั้นคนนี้แต่โดยลักษณะว่าเอาใช้กิ่งไม้ว่านะปักบนกองทรายที่หน้าเมืองถ้าใครมาต้องการจะโตวาทากับตนเราก็เอากิ่งไม้นี้ไปเราก็จะมาทําการโตวาทากันเป็นลักษณะของ การประกาศตัวให้ท้าคนอื่นมาโตวาทะแต่ซึ่งในที่นั้นตอนนั้นได้ไปอยู่ที่เมืองเชตาวน์4คนผู้หญิงเนี่ยปริภาชิกาทั้ง4คนเพอไปอยู่ที่เมืองเชตวัน แ, แล้วก็ได้มีโอกาสโต้วาทะกับท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรก็ชนะละเระท่านก็เคยเรียนพวกคําถามคําตอบอะไร500อย่างนี้มาแล้วก็ถามให้มันเหนือขึ้นไปแต่4คนนี้ก็ตอบไม่ได้ก็เลยบวชในสำนักของนางพิษุณีแล้วก็ บรรุเป็นพระอาารันเรื่องราวตรงนี้ก็ยังมีที่พิสดารราเรียตลงไปอีกแต่ถ้ามีโอกาสก็จะหามาเล่าให้ตะบูฟังฝั่งได้ส่วนตัวน้องชายเนะ่คือที่ชื่อสัจจกะเนี่ยนอกจากเขาจะเรียนความรู้จากมารดาบิดานะที่พูดถึงว่าการโตวัฏะ5 0รอยอย่างนี้แล้วนะเขาก็ไปหาความรู้ความเรียนนะในที่นั้นที่นี่อีกนะเรียนมากรู้มากจนกระทั่งว่า ตัวเองเนี่ยกลัวว่าไอ้ความรู้ความเรียนที่ตัวเองเรียนมารู้มาเนี่ยมันจะทะลักออกกลัวมันหล่นออกเขาก็เลยเอาแผ่นเหล็กเนี่ยมาคาดไว้ที่ท้องท้องก็ไม่รู้ว่าโตหรือแฟบละแต่เอาแผ่นเหล็กมาคาดไว้ที่ท้องกลัวว่าไอ้ความรู้ที่ตัวเองมาเนี่ยมันจะไหลออกคือเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยเขาก็อาจจะเอาหาหมวกมาใส่กลัวว่าความรู้ในสมองมันจะกระชอกออก เดินนี่ก็ต้องเดินค่อยๆนิดนึ่งไปชนอะไรเดี๋ยวความรู้แตกญญาราชการนิโครนนี่เขาก็เป็นลักษณะนี้นเป็นที่เรียกว่าเป็นนักเที่ยวโต้วาทะเหมือนโตวาทีนี่เลยใครพูดอะไรมายกข้อความเขาเอาเหตุผลนี้มาอ้างตัวเองเถียงชนะว่างั้นเถอะเถียงไปเทียงมาตัวเองชนะเกิดขึ้ น, นเป็นนักโต้วาทะก็หาคู่ที่จะโตวาทะนี่นี่เราก็เลยเที่ยวประกาศตัวไปบอกว่า ไม่มีใครหน้าไหนหรอกที่จะมาโต้วาทากับเราได้แต่จำนวนที่เขาใช้ก็คือไม่ว่าจะเป็นสามณภพรามเป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์จะเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นพระอระหันต์ถ้าได้มาโต้ตอบกับเราแล้วเนี่ยผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประมาทสะทกสะทานวันไว้มีเหงื่อไหลจากรักแร้แน่นอนแม้ตัวเราเองที่จะโต้วาทากับต้นเสาแต่เสาไม่มีจิตไม่มีใจเนี่ยก็ยังสะทกสะทาน หวาดวันแนะไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยพูดกับเสาเสาวก็อย่างแพ้เอาคิดดูจะไปพูดถึงอะไรกับมนุษย์ใหม่าันต้นเสาในที่นี้ไม่ใช่เสาไฟฟ้านะสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าก็อาจจะหมายถึงต้นสาธรรมดาแต่เสาไฟฟ้านี่เขาก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งนะเป็นต้นเสาที่ตั้งอยู่เฉยแต่สัจกะนิครนี่เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าต่อให้ต้นเสาตั้งอยู่เฉยมาเกลุยเขาก็ยังต้องสะท้านหวัดวันไปอย่างนั้น มนุษย์นี่ไม่เหลือแน่นอนต้องเงือนและเอาจากรักแรวันไวสตอกสตานไปอยู่มาสมัยหนึ่งก็เลยได้เห็นท่านพระอัชชิเดินบิณฑบาตอยู่ก็เลยได้มีโอกาสจังหวะก็ไปถามว่าเอ๊ะพระเจ้าเนี่ยสอนอย่างไรในปกติพระเจ้านําสาวกทั้งหลายไปอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าหลายๆคนก็เคยได้ท่องในบทสวดมนต์แต่ที่ว่าคําสอนของพระผู้มีพระมีในสาวกเป็นส่วนมากคือว่า แต่ทั้งบทที่แปลบทที่ไม่แปลทําวัดชา ว, วัดเย็นเนี่ยจะน้อยส่วนตรงนี้อยู่แต่ท่านพระราชนิชก็เลยตอบตรงนี้บอกว่าพระเจ้าสอนเป็นส่วนมากว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแต่คือพูดถึงขันตั้ง5้าแต่ขันก็คือกลุ่มกองของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเร า, เากลุ่มหรือสิ่งที่คล้ายๆกันเหมือนๆกันเนี่ยมากองๆองรวมกันรวมรวมกันไวน้ก็เรียกว่า กองกองหนึ่งเช่นว่าถ้าเอาของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่แตกสลายได้ถ้าดินน้ำไฟลมมากองกองรวมกันเราก็เรียกกองนี้ว่ารูปหรือเอาความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมารวมรวมกันเขาเรียกว่ากองเวทนาอย่งเงี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้อยู่ทั้งหมด5้ากองแต่เรื่องขันท่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดแต่สามากที่สุดคือเรื่องของทุกข์นั่นเองแต่ทุกข์เป็นยังไงแจกแจงเอาไวา้ขันหน้าคืออะไร ขาน่า ค, ควรเห็นอย่างไรขาน่ามีเหตุเกิดอย่างไรขัน่ามีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรแต่ทางยังไงให้ถึงความดับของขัน่าสอนมาเยอะมากเน่ซึ่งลักษณะแค่ประโยคตรงนี้ได้บอกว่ารูปไม่เที่ยงจนถึงวิญญาณไม่เที่ยงเนี่ยก็คือลักษณะของขัน่าใช่ไหมแล้วเราควรเห็นขัน่าอย่างไรแต่ก็คือควรเห็นโดวยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไอ้เจ้าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนําทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน แต่ซอนอย่างนี้เป็นส่วนมากแตนะ่คือเรื่องขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้แต่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้เนี่ยจะเป็นผลของความที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแตนะคือตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณเห็นไม่เที่ยงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเห็นไม่ใช่ตัวตนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจะทำให้เราว่างได้แตนะ่พระเจ้าจึงเน้นตรงนี้จึงพูดถึงเรื่องของทุกข์ ในส่วนที่ให้เราเห็นพิจรารณาอย่างไรพอได้ข้อมูลตรงนี้นั่นคือสัจกะนิกร น, นี่เขาก็ไม่ใช่บือบ้อๆนะท่านฟังเขาก็เป็นคนที่มีปัญญามันกันนะคือก่อนที่เขาจะไปโตวาทากับใครเขาก็หาข้อมูลก่อ น, น, นหาข้อมูลในที่นี้ก็หาจากใครก็หาจากท่านพระสชชินี่แหละหาจากสาวกก่อ น, นสาวกอืเราจะไปโต้วาทากับพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องหาข้อมูลก่อนเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอะไร ก็เลยถามท่านปราสัชชินันเองแต่ตรงนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลก่อนอ๋อคำสอนนี้ฉันยกวาท t h ได้แน่นอนฉันตีแตกโตแตกแต่ก็คิดมุกไว้แล้วโจงคําถามไม่เรียบร้อยนั่ว่าจะแก้อย่างไรในคําสอนที่พระเจ้าสอนตรงนี้ก็เลยเตรียมการหล้วทีนี้แตทีนี้ลักษณะการที่เขาจะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวทีนี้แต่ก็ชวนพวกไปนะีชวนพยานใบสกีพยาน ในที่นั้นคือเมืองเวสาลีก็มีพวกกษัตริย์ที่ปกครองอยู่ก็เรียกว่ามรลกษัตริยนะ์พวกเจ้าลิชวีก็เลยชวนเจ้าลิชวีจำนวนมากจำนวนในที่นี้เขาก็ใช้ว่า5้0องคนะ์ไปกันไปกันว่ า, าจะไปโตวาทะนะครับพระบรุรชาวแตนะ่บางส่วนก็คิดว่าเออไปดูก็ดีเหมือนกันนะแมมจะได้ดูว่าสัจกันที่คร น, นี้จะยกวาทโตวาทะอย่างไร บางส่วนบางพวกก็คิดว่าไม่มีทางจะทําได้แล้วก็เลยจะไปดูว่าจะแพ้ายแพ้อย่างไรแต่มีทั้งสองส่วนสานวนที่สัจกะนิครนเนี่ยเขาไปชวนเจ้าลิชวีนี่ก็นะสนใจทั้งว่างแต่เป็นการคุยโวแบบคุยโตอย่างมากเลยตั้งแต่เรื่องของเสาวไฟฟ้าละและต่ตนเสาที่ถ้าตัวเองโตวาทะละต้นเสาที่ต้องสั่นสะเทือนนี่ก็อย่างหนึ่งนะแต่ตอนที่ชักชวนหมูคนะ่คณะพวกเจ้าลิชวีไปนี่ก็ คุยโวอีกนตะ่ว่าถ้าจะไปพูดคุยกับผุ้รู้เจ้าเนี่ยได้ข้อมูลจากท่านพระอัชชิอย่างนี้มาละนะัข้าพระเจ้าก็จะฉุดกระชากลากพระสมณโคโดมด้วยคำต่อคำนะคว่ำคาํานี้คว่ำคํานี้ลงนะัเหมือนจับแกะที่ขนยาวฉุดกระชากลากไปลากมาอย่างนี้หรือเหมือนกับนักเรงสุรานะเขาดื่มจับถ้วยจะเป็นถ้วยชาถ้วยกาแฟหรือถ้วยสุราก็ตามที่หูแล้วก็ฟาดไปฟาดมาให้มันแตก น, นะ น, นี่นั่นเป็นลักษณะนั้น คือเป็นการคุยโตเป็นการที่ชักชวนคนอื่นไปแล้วก็แน่นอนเหมือนการโฆษณาชวนเชื่อที่จะให้คนไปก็ต้องพูดที่มันให้มันเวอร์อรนิดนึงก็ชักชวนกันไปเอ่อทีนี้พอชักชวนกันไปก็ไปที่ไหนก็ไปที่ป่ามหาวันป่าใหญ่อยู่ที่นอกเมืองเวสาลีอ่าพ่อไปถึงเห็นพวกพิสูจน์นั้นกําลังเดินจงกรมกันอยู่ในที่กลางแจ้งแล้วก็เลยถามพระาอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็บอกอยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อย อยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแต่ตรงข้อมูลตรงนี้เราเราดูแล้วเราพิจารณาเห็นลักษณะความเป็นอยู่ของพระพุชธาได้แต่ว่าตัวพระองค์เนี่ยพอรับประทานอาหารเสร็จฉันพระทหารเสร็จเจวงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปหลีกเร้นแตส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่โคนไม้นั่งอยู่องค์เดียวไว้เดินจงกรมอยู่ตามราวป่า ต, ตอนนั้นก็เหมือนกันลักษณะนี้ปิกสุทั้งหลายเขาก็ทําความเพียรกันอยู่ใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนพระพุทธเาก็หลีกไป เด็กเล่นอยู่สักที่หนึ่งแล้วก็แสดงเห็นถึงลักษณะความเป็นอยู่ของพระพุทธเจาพอไปถึงเห็นพระพุชาแล้วแล้ก็ตกราบทักทายปราศัยกันก็นั่งในที่ส่วนควรข้างหนึ่งแล้วเจ้าฤาวีต่างก็นั่งลงและทํากิริยาต่างๆกันไปตามความปรารถนาของเขาไปทีนี้ศาสนิกรแก็เตรียมข้อมูลมาละแล้วก็เลยขอโอกาสพรุชาในการนี่จะจะยกวาทะจะถาม นะก็เลยถามพรุทธเจ้า ว, ว่าเอ๊ะพรุทเจ้าสอนอย่างไรแนะนําอย่างไรในที่นี้ก็มีผู้ที่อธิบายเอาไว้นะัคือพรุทธเจ้าทราบอยู่แล้วณนะว่าท่านพระอัสชิเนี่ยตอบอย่างไรนะั่นคือท่านพระอัสชิเนี่ยได้สรุปข้อนี้ก่อนนะัคือได้เป็นข้อสรุปของตัวเองที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนส่วนมากนะัส่วนมากแล้วจะสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเนี่ยไม่เที่ยงนะแต่ในบทเพียนชนะที่บอกว่าตัวพระองค์เองสอนอย่างนี้โดยส่วนมากเนี่ย พุทธเจ้ายังไม่เคยพูดที่ไหนเนี่ยยังไม่ได้เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่ท่านพระอัสชีเนี่ยฟังคําสอนแล้วก็ได้ข้อสรุปของตัวเองเน่ยจึงบอกกับสัจจการนิครณเนี่ยว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนโดยส่วนนี้สอนเรื่องของขันห้าว่าไม่เที่ยงน่ยไม่ใช่ตัวตนน่ยไม่มีตัวตนเนี่ยสอนเรื่องนี้เป็นส่วนมากซึ่งอันนี้เป็นข้อสรุปของท่านพระอัสชีเองน่ยที่ได้พูดไว้ก่อนแต่บทเพี้ยนชนะที่บอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยง พวกนี้ไม่เที่ยงเนี่ยพระเจ้าพูดบ่อยอยู่แล้วนะพูดอยู่แล้วแต่ไอ้บทเพียนชนะที่บอกว่าพระเจ้าสอนเรื่องนี้เป็นส่วนมากตรงเนี้ยเป็นข้อสรุปของท่านพระอัสสชิแลนะที่ท่านยกประเด็นชูประเด็นขึ้นตรงนี้มาก่อนนะด้วยการจงคาตามของสจาการ น, นิครนตรงนั้นนะเลยพูดอย่างนี้แล้วพระเจ้านะทราบความที่พระอัสสชิพูดอย่างนี้ถ้าตัวเองตัวพระองค์เองเนี่ยพูดแตกต่างกันไปด้วยบทเพียนชนะเดี๋ยวจะถูก ไอ้เจ้าสัจจกานิครณ์เนยกวาทะได้เอา้าทําไมสาวุกพูดอย่างหนึ่งพระยาพูดอย่างหนึ่งแล้วก็เลยกําหนดบทเพยยียญชนะเนี่ยให้เหมือนเป๊ะนะครับของท่านพระอศัศจรนั่นเองนั่นก็คือบอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแต่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนปเป็นลักษณะ น, าานี้เหมือนกัน กำหนดบทเป็นขนาดเดียวกันพระรูชากล่าวอย่างนีนะ้ซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านพระอัสสชิได้เคยเกล่าวเอาไว้นะสถา น, น, นกรณ์นีคลก่อโตไม่ได้ล่ะนี่ข้อที่1นึ่แตนะ่ถไปก็เลยเตรียมข้อมูลที่ที่ตัวเองเตรียมมาโดยการยกอุปมาอุปไมยเนะื้อเปรียบเทียบเหมือนกับการงานที่เราจะต้องทํานะก็ต้องอาศัยแผ่นดินนะถ้าดินมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่ไม่มีตัวตนแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรนะหรือว่าต้นไม้ใบไม้ แตที่มันโตขึ้นมามันก็ต้องอาศัยแผ่นดินแต่ถ้าแผ่นดินเนี่ยคือลักษณะของความเป็นเช่นรูปอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นของแข็งอย่างนี้มันไม่อาศัยดินดินไม่ใช่ตัวตนแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรแล้วการที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารูปเนี่ยคือเป็นส่วนของดินเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ถูกแล้วมันต้องเป็นตัวตนว่าอย่างงั้นแต่ท้าโดยการยกอุปมาอุปมยนี้นะอธิบายให้พรุทธเจ้าฟังว่าจริงๆที่พรพุทธเจ้าบอกว่า รูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ถูกจริงๆรูปต้องเป็นตัวตนไม่งั้นต้นไม้มันจะโตขึ้นได้ยังไงไม่งั้นคนเราจะยืนอยู่บนแผ่นดินได้ไงถ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนไม่เป็นของที่จับต้องได้แล้วเวลาเขาพูดเนี่ยสัจการนิครนกล่าวเนี่ยก็กล่าวคําหนึ่งตัวเองมีความเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังยกพวกด้วยนะว่าคนอื่นเขาก็กล่าวกันอยู่อย่างนี้นะอ่าพระเจ้าตอบว่าอย่างไรพระเจ้าก็ยกอุปมาตอบเหมือนกันทีนี้ ยกอุปมาเปรียบเทียบกับพระเจ้าปเปอร์เซนที่โกศลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารหรือพระราชาไหนก็ตามนะพี่เป็นเจ้าครองแคว้นมีครองความเป็นใหญ่ยิ่งในแคว้นหรือว่าประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้ริบทรัพย์ใครก็ได้สั่งให้ฆ่าใครก็ได้สั่งในประเทศหรือสั่งบุคคลในบุคคลหนึ่งในแวดแค ว, ว้นของหลวงด้วยอำนาจด้วยอาทยาด้วยศรัตรา ในของความเป็นพระราชาที่ตัวเองมีถามสัจจการนิครนว่าอย่างนี้สัจจการนิครนก็เห็นด้วยนต่ว่าใช่เขาสามารถทําได้สามารถสั่งการได้นเพราะว่าเป็นผู้มีเป็นผู้มีอํานาจมีอํานาจเหนือในสิ่งต่างๆในประเทศของตัวเองะจะให้ทํำยังไงก็ได้มีอํานาจแน่นอนผู้ชายก็เลยเอาอุปมาของสัจจการนิคร น, นกับอุปมาที่พระองค์ยกขึ้นเนี่ย ผูกรวมกันจะนี้โดยการถามสัจจการนิครนี้นะว่าถ้าอย่างนั้นนะถ้ารูปท่านบอกว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นของจับต้องได้ท่านมีอํานาจเหนือมันแต่แล้วท่านมีอานาจในการที่จะสั่งได้ไหมว่ารูปเป็นอย่างนีนะ้รูปอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยนี่ถามแค่นี้นะเอา2องอุปมาอุปไม้เนี่ยมาผูกกันสัจจการนิครนี้ยกขึ้นมาบอกว่ารูปนี่ เออเป็นของฉันรูปนี้เป็นตัวตนใช่ไหมส่วนพุทธเจ้าก็ยกอุปมาว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระราชาเขาก็สามารถสั่งการนั่นนี่ได้แลนะด้วยความที่เป็นเจ้าครองแคว้นนะมีอํานาจเหนือสิ่งที่เป็นตัวตนในแคว้นมีความใหญ่ยิ่งที่สุดแตนะ่ถ้าเบอกว่ารูปนั้นเป็นของเราจริงๆเราก็ต้องสั่งได้ว่าให้มันเป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นอย่างนี้พอถามแค่เนี้ยท่านฟังตอบไม่ได้นะนิ่ง คือถ้าตอบว่าสามารถสั่งได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าพวกเจ้าลิชบีเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นชัดเจนอยู่ว่าอสัจจการนิครนเนี่ยรูปร่างสวดทรงอะไรต่างๆไม่น่าดูนะไม่มีลักษณะของความงามอยู่เลยนีย่ถ้าสั่งได้ทำไมไม่สามารถสั่งให้ตัวเองดูดีสั่งให้เรารูปงามสั่งให้เรามีความร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทาไมร่างกายดูก็ไม่สวยหลอกก็ไม่หลอ มีความมลทินต่างๆตามผิวหนังอะไรต่างๆเหล่านี้สั่งการไม่ได้แต่ถ้าพูดอย่างนั้นก็จะถูกพวกเจ้าลิชบีผู้นั้นถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมร่างกายคุณเป็นอย่างเนี้ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าตอบว่าไม่ได้นสั่งการไม่ได้มันก็จะไปค้านกับวาทะของตัวเองที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่ารูปเนี่ยเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าเป็นตัวตนของเราเราก็น่าจะสั่งได้เอา้าทำไมตอบว่าสั่งไม่ได้ แลนะก็เลยนิ่งนะหมดคำพูดทีนีนะ้คิดไม่ออกแล้วหมดมุกแล้วทีนี้พระรูเจ้าก็เลยถามครั้งที่สองนะถามครั้งที่ส อ, อีกเหมือนเดิมถ้าบอกว่ า, เ, าเรารูปเป็นตนจริงๆเป็นของเราจริงๆแล้วนะเราก็ต้องสั่งได้สิว่ารูปจงเป็นอย่างนี้ในะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเสจากนิครต น, นี้ก็ถูกถามครั้งที่2ก็นิ่งอยู่อีกนะตอบไม่ได้หมดคำพูดนะเนื้อเกอเขินละเริ่มละ เนื้อก็เริ่มที่จะไหลออกจากรักแร้และพระเจ้าก็เลยบอกว่าเราถามนี้ก็ต้องตอบแต่ถ้าใครที่ถูกพระพุทธเจ้าถามปัญหาที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่ตอบเนี่ยสีสัจะต้องแตกเป็นเจเสียงแต่นี้อาจจะเป็นสำนวนที่ได้กล่าวขึ้นแต่เพราะว่าในที่อื่นก็มีการกล่าวขึ้นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในที่นั้นเนี่ยในผู้สวดเขาเล่าให้ฟังว่ามียักษ์ชื่อวชิราปานีถือตะบองเพชรตะบองที่ทําจากเพชร แล้วก็มีไฟลุกโพของโชคช่วงอยู่อยู่ยืนอยู่เหนือสัจจกะนิครนุดค น, นี้ซึ่งยักษ์ตนนี้เนี่ย เ, เห็นเฉพาะสัจจกะนิครนนะครับพระพทธเาท่านสองคนที่เห็นยักษ์ตนนี้แต่มีการแก้ว่ายักษ์นี้มาจากไหนแล้วก็เป็นนิมิตเป็นการแปลงกายของเท้าสกะเทวราชนะ์ซึ่งมาค่มขู่ละพุทธเจาพูดว่าศีลสัจจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียง แล้อะไรที่จะเป็นเหตุให้ศีรษะแตกได้ัจการนิครนนี้เห็นยักษ์มายืนอยู่ตรงนั้นหน้าของตัวเองเนี่ยเจ้าลิชวีไม่เห็นมีแต่พระากับตัวัจการนิครนเท่านั้นที่เห็นเราก็กลัวเลยทีนี้ว่าตายละถ้าถามอีกครั้งหนึ่งแล้วฉันไม่ตอบนี่ฉันเสร็จแน่นอนศีรษะแตกเป็นเจเสียงเห็นอย่างนี้แล้วก็ตกใจกลัวจนขนพรองสอยองกร้าวเหงื่อไหลออกจากรงกดาทีนี้ เราก็ทํายังไงเราก็เลยมีความคิดว่าโอ๊ยเจ้าลิชบีนี่ก็พึ่งไม่ได้ น, นะในที่นี้จะพึ่งใครดีก็ต้องพึ่งพระพุทธเจ้านะไม่มีใครพึ่งแล้วนอกจากพึ่งพระพุทาเท่านั้นนะก็จึงบอกพระุทา ว, ว่าเอางั้นขอให้ท่านถามเถอดนะเราจะตอบนะคือตรงนั้นหมดที่พึ่งแล้วนะท่านฟังเราคิดดูนะมีภัยอยู่ต่อหน้านะคือยักษ์ถือตะบองเพชรนะที่มีไฟลุกโชดช่วงอยู่จะตีศีรษะของตัวเองแล้วนะก็จะต้องพึ่งใครล่ะนะในใจก็คิดว่า พระรเจ้านั้นเป็นเป็นผู้ที่มีเมตตามีกรุณาเอางั้นเพึ่งพระรเจ้าล่ะพุะรเจ้าถามอะไรจะตอบพระุูปเจ้าถามแบบเดิมอีกนะถ้ารูปถ้ารูปเป็นตัวตนเป็นของเราจริงนะเราก็ต้องสั่งได้ให้รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่รจชการนิครนในที่นั้นเราก็เลยตอบว่าไม่ไดนะ้ไม่สามารถสั่งให้ได้ว่ารูปต้องเป็นอย่างนั้นรูปต้องเป็นอย่างนี้เหมือนพระราชาที่ก็จะสั่งให้คนนั้นไปที่นั่น ริบซับคนนี้ในปรเทศคนนั้นสั่งไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รูปนั้นเป็นของเราแตนะ่พอพูดอย่างนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาคิดให้ดีๆนะกินได้ดีๆนะคํนะาแรกที่ท่านพูดานะบอกว่ารูปเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่ครั้งนี้ท่านบอกว่ารูปที่เป็นของเรานนั้นเรากลับสั่งไม่ได้นะมันแย้งกันมันขัดกันนะพระเจ้าก็ไล่ถามไปตนะั้งแต่เรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ถามอยู่5ครั้งขัจรการนิโครโก็ตอบว่าไม่ได้หมดแตนะไม่สามารถสั่งความรู้สึกนะว่าเราจงรู้สึกอย่างนี้อย่าได้รู้สึกอย่างนั้นหรือว่าไม่สามารถสั่งสัญญาสังขารและวิญญาณนะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีอำนาจในสิ่งนั้นได้เลยในแต่ละครั้งที่ตอบนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้คิดให้ดีนะบอกว่าให้ขัจรการนิโครโนเนี่ยพิจารณาคิดให้ถี่ถ้วนนะเพราะคำมันแย่งกันแล้ว แล้วก็ถามต่อบอกว่าไอ้รูปหรือเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนายเศร ษ, รษกาจนิโคลนเขาบอกว่าไม่เที่ยงอันนี้เห็นเห็นกันอยู่แต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนายก็ตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอะนัตตาเป็นตัวตนของเราหรือไม่ใช่ตัวตนก็ตอบว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ตรงนี้คืออนัตตาธรรมปัญญาเราต้องการให้เห็นตากะว่า สิ่งที่เราบอกว่าเป็นอนัตตาสิ่งที่เราบอกว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเพราะอาศัยเหตุของมันคือความที่มันไม่เที่ยงในความที่ไม่เที่ยงในทําให้มันเป็นทุกข์ความที่มันเป็นทุกข์มันจึงเป็นของที่เราไม่ควรจะต้องเอามาเป็นของตัวตนแต่พอเป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วเราก็เลยสรุปว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ไม่ควรเห็นว่าเป็นอย่างนี้ถามกันอยู่อย่างเนี้ย หารอบในเพื่อให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งตัวท่านผู้ฟังเองลองพิจารณาตามแต่ความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งในร่างกายของเราที่เรามีอยู่แต่เราเห็นมันโดยความเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ๊แต่มันเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดขึ้นแนะมันเกิดขึ้นตลอดไหมเอ๊ถ้าไม่ตลอดแสดงว่ามันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพิจารณาดูดีๆเออมันทําให้เราทุกข์นะบางทีเราก็กังวลว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรไม่ร่างกายฉันเป็นยังไง Bağ, สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาแต่มันเป็นทุกข์มันก็มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเฮ้เราจะเอามาเป็นของเราได้ไหมหรือเราจะถือว่านี่เป็นตัวเราหรือเราจะถือว่าเรามีในสิ่งนี้ไม่ได้เลยแต่เพราะว่านั่นเป็นความทุกข์เอาแล้วจะเอาทุกข์มาใส่หัวทําไมก็คนจะต้องวางซะควนจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราแต่ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในที่นั้นพระเจ้าได้ถามสัจจกานิครณเนี่ยเป็นสองสนัยยะ ทั้งทางบวกและทางลบในทางบวกก็คือว่าอ้าวถ้าเราเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เราจะาทําทุกข์ให้สิ้นไปได้หรือไม่ในศาสนานิโครนก็บอกไม่ได้เลยถ้าเห็นว่าเป็นตัวเราทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ถามในทางอีกด้านหนึ่งเนื้อก็ถามว่าเฮ้ถ้าเราไม่เห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราแล้วเนื้อจะทําทุกข์ให้สิ้นไปได้หรือไม่ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราในศาสนานิโครนก็เห็นด้วยอย่างนั้น พระเจ้าในที่นั้นก็ยกอุปมาอุปไมยเนะือพี่ที่จะเปรียบเทียบในเรื่องของบทสนทนาตรงนี้เอาไวนะ้เปรีเหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้นะืสวะส่อหาแก่นไม้เข้าไปในป่านะืมีควานไปด้วยคมกริบเลยเนะ้อไปเจอต้นกล้วยนะื้จะเป็นต้นกล้วยป่าก็ได้นะืที่ต้นมันใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็โคนมันดำดำเนะือปลายปลีกล้วยเนี่ยมันอาจะจะชี้ขึ้นอย่างนี้นะืด้วยความประสงค์ตอนนี้ก็เลยไปตัดต้นกล้วยนั้นในะคิดว่าจะมีแก่น นะปอกกราบออกนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เจอแม้กระตังกระปีนะัแกลนไม่เห็นแน่นอนนะก็เปรีเหมือนสัจการนิครนนี่แหละจะมาคิดว่าไอ้รูปใบธนาสัญญาสังหารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนเนี่ยแต่ลองพิจารณาเข้าไปดูหาดูปอกไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่ามันไม่มีแก่นสารนะเหมือนอย่างกรณีที่พระเจ้าไล่ทบทวนให้ฟังเนะยกอุ ป, ปมาปรมยัยเพื่อเชชเปรียบเทียนบะเป็นลักษณะาการที่ให้คิดพิจารณาโยนิโสมรสิการ นะปอกกาบออกทีละกาบทีละกีบทีละกาบทีละกีบคลี่ออกลอกออกเปิดออกฮะแก่นไม่มีเราก็ถึงความแจ่มแจ้งแล้วโอ้เราจะมายึดถือว่าอันนี้เป็นแก่นไม่ได้นะจะไม่มีสิ่งใดที่จะให้เรายึดถือได้นะเป็นตัวอย่างที่ให้เปรียบเทียบว่าถ้าไอ้ของอะไรที่เราคิดว่าข้างในมันจะมีแก่นน่ะคุณดูดีๆนะคุณต้องการแก่นด้านไปตัดต้นกล้วยนะคุณต้องการความมั่นคง แต่คุณนดินไปยึดถืออุดมการใดอุดมการ์หนึ่งคุณต้องการความมั่นคงคุณไปยึดถือชื่อเสียงกิติยศคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตคุณไปยึดถือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือนักการเมืองใดนักการเมืองหนึ่งนั่นไม่ใช่ที่ที่จะคุณจะยึดถือหรือเอาเป็นที่พึ่งได้เลยแตนะ่ไม่มีแก่นสารตรงนั้นไม่มีพอมีการโต้อตอบบาทะนะเปิดออกคลี่ออกไนะหนเห็นชัดเจนอยุนิโสมนัสิการแล้วแล้วนะคนที่ยึดถือนั่นนะก็จะต้องเครียดไปเองนะมีเงื่อนไหลเงื่อนตก ไนะหลออกจากรักแร่นะตัวสันเพิ่มนะก้มหน้าซบเซาคอตกหมดปฏิ่านนะซึ่งจัดสัจจการนิโคร น, นั้นเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าก็เลยเปิดให้ดูว่าตัวพระองค์นี่ไม่มีเงือไหลนะในพระสุขก็บอกไว้ว่าอย่างนี้บุคคลที่อยู่ในที่นั้นนะก็มีเจ้าลิชีทั้ง500คนนะคนหนึ่งชื่ อ, อทุมมุขก็เลยบอกขึ้นมาโอนา้นี่แมสัจจการ น, นิโครนี้นั่งนิ่งอึ้งไปเลยนะเหมือนกับปู เนะที่อยู่ริมสะในสระโบกกรณีเนี่ยเขาเอาปูมาปูนี่ก็ที่เราจะโชว์กล้ามนะว่าฉันนี่ฉันมีกล้ามนะชูแบงนู้นชูแบงนี้นะกมขี่คนนั้นคนนี้แตนะถ้าเราไปเห็นปูนานี่อยู่ตามนาเนี่ย เ, เวลามันขึ้นมาบนตะลิ่งบนฝั่งเนี่ยมันไม่กลัวคนนะท่านผังนะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านพระเดินมิตราบผ่านเนี่ยมันชูกล้ามเข้าใส่เลยในะคิดว่าตัวมันเก่งแตนะ่ตัวมันสามารถที่จะทําอันตรายค น, ดนได้ แต่ถ้าเด็กจับขึ้นมาเนี่ยก็ เ, เอาไม้หรือเอาอะไรเนี่ยต่อยก้ามปูทิ้งนะปูนั้นก็หมดฤทธิ์ทำอะไรไม่ได้นะไปไหนไม่ได้จะกลับลงสู่สระน้ำก็ไม่ไดนะ้ก็ต้องตายอยู่ตรงนั้นแห้งตายไปเองนะเหมือนกันที่เปรียบเทียบกับสัจการนิครนีนะ้คิดว่าตัวเองจะกำจัดพระพุทธเจ้าไดนะ้แต่พ อ, อ, อมาพูดโต้บาทากันแล้วนะถูกหักน้าหักก้ามฤทธินะ์ ร, รอนความคิดทิฏฐิอันเป็นเสี้นน้ํา นะให้หมดใหม่นะก็โต้ตอบอะไรไม่ได้นี่เป็นเรื่องราวที่ให้ศึกษาเพิ่มเติมท่านผู้ฟังในเรื่องของคําสองพระเจ้าเมื่อศึกษาแล้วมีความเข้าใจเพิ่มเติมก็จะทําความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในใจของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระภัยบูลอภิปุนโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร